จเจริญพรโยมเช้าๆมาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะมีประโยชน์การฟังธรรมะเป็นมงคลของชีวิตนะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจเจริญขึ้นการฟังธรรมะเป็นการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดยตลาดชีวิตเรานะเราก็ต้องลงทุนให้กับชีวิตมากมายอย่างตั้งแต่เด็กๆ ลงทุนไปเรียนหนังสือามาไปลงทุนรงแรงไปทํางานลงทุนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรนี้เลียงสร้างครอบครัวนั่คือการลงทุนให้กับชีวิตทั้งนั้นเลยเระวังว่าทําสิ่งเหล่านั้นเราจะมีความสุขมันก็มีความสุขเหมือนกันมันความสุขอย่างโลกๆความสุขชั่วครั้งชั่วคราวการลงทุนศึกษาธรรมะนี่เป็นการลงทุนระยะยาวนะคุ้มค่าที่สุด ก็ความสุขทางโลกหลวงพ่อรู้จักดีนะหลวงพ่อกว่าจะบวชอายุเยอะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่จนแก่กว่าจะได้บวชความสุขในโลกรู้จักอย่างที่โยมรู้จักแต่ความสุขในธรรมะนะมันเทียบกันไม่ติดนะความสุขของโลกนั้นมันสุขสุกดิบดิสุกแล้วร้อนสุขแบบร้อนร้อนสุขของธรรมะนะสุขร่มเย็นความสุขในโลกอยู่เป็นกราวกราวความสุขของธรรมะอยู่ถาวรนะอยู่ถาวร เราลงทุนลงแรงศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะดื่มดำในรถของธรรมะเป็นระยะระยะไปมีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมัยก่อนหลวงพ่อทางานอยู่ทำเนียบรัฐบาลเดินอยู่ในธทมเนียบเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านที่เดินยิ้มเกิดสายลมและแสงแดดได้นะมีความสุขนะเดินไปทางไหนมีความสุข เรามามาทำงานอยู่ตรงหัวมุมถนนเนี้ยอยู่วงการโทรศัพท์นะวันมันนะยิ้มแย้มแจ่มใสมันมีความสุขความสุขมันผุดขึ้นมาจากข้างในตลอดเวลาที่ความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการมีสติพวกเราแสวงหาความสุขลนะองมาฟังหลวงพ่อพูดเราจะรู้ว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความสุขจริงๆเนี้ยหาไม่ยากหรอกจิตใจของเราแต่ละคนนะ มันมีความสงบสุขอยู่ภายในอยู่แล้วจิตใจของเราแต่ละคนมีความสว่างมีความผ่องใสอยู่ภายในอยู่แล้วจิตแต่เดิมนี่นมันประพัดสอนมันผ่องใสมันสงบมันร่มเย็นอยู่แล้วกิเลสต่างหากละ่ะแทรกเข้ามาเป็นเปลาวปล่ากิเลสผ่านเข้ามาทีไรก็ามาแผดเผาใจของเราให้ร้อนนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไฟคือกิเลสไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ ไปสามกองนี้เผาใจเราให้ร้อนทำให้เราไม่มีความสุขที่พอจิตใจของเราถูกกิเลสครอบงานะหาความสงบสุขไม่ได้ดิ้นดิ้นรนไปเรื่อยๆอย่างราคะแทรกอยู่นี่นะร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนอย่างหนุ่มๆจะไปจีบสาวมันร้อนนะหรือสาวมันจะจีบหนุ่มก็ร้อนนะร้อนว่าทำยังไงจะสาเร็จมันจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จอะไรเงี้ยนะมันร้อน ไฟคือโทสะเพราะร้อนนะแผดเผาทั้งวันทั้งคืนไฟธรรมดายัางมีเวลาดับนะไฟโทสะโกรธขึ้นมาคาดแค้นเผาอยู่ได้เป็นปีๆไฟคือความหลงอันนี้ดูยากนะดูแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นไฟนะนเย้ยแต่สติปัญญาเฉียบแหลมจริงๆเนี่ยไฟเหล่านี้มันแผดเผาใจของเราขึ้นมาได้เพราะว่าเราไม่รู้ทันเราไม่รู้ทันจิตใจของเราเอง ถ้าหากเรามีสติมีสัมมาสมาธิใจเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจอยูนะ่มีสติเกิดขึ้นเวลาที่กิเลสแทรกเข้ามาในจิตในใจพอกิเลสไหลเข้ามาในใจเราวับเนียสติจะทำงานอัตโนมัตินะเช่นความโกรธผุดขึ้นในใจวับสติจะทำงานอัตโนมัติมันจะระลึกรู้ความโกรธความโกรธจะดับทันทีนะ ราคาแทรกเข้ามาในใจวับเนี่ยถ้าสติระลึกรู้อัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยราคาจะดับทันทีจิตมีโมหะจิตฟุ้งซ่านหลงไปจิตใจหลงหลงหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดดีคิดร้ายอะไรเนี่ยพอสติเกิดตับเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวชัดรันเลยทันทีที่จิตตื่นขึ้ น, นมาเนี่ยจิตพ้นจากอานาจของกิเลสครอบงําและจิตเจะประพัดสอนนะ จิตจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสขึ้นมาอัตโนมัติจิตที่มีความรู้สึกตัวมีสติเนี่ยเรกว่าเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีลักษณะสําคัญคือไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นเครื่องแขดเขาจิตที่มันเป็นกุศลขึ้นมามีสติแล้วมันเป็นกุศลขึ้นมามันจะเบาพวกเรารู้สึกไหมพวกเราชอบหนักใจใจเราชอบหนักนะหนักเรื่องโน้นหนักเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าจิตเราเป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยใช่เราจะเบาไม่ใช่หูเบานะแต่ใจเบาใจสบายใจเราจะนุ่มนวลนะไม่แข็งกระด้างไม่เครียดไม่แข็งจิตใจเราจะเบาจะนุ่มจะอ่อนอ่อนโยนจิตใจเราว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่ไม่ใช่จิตใจที่ดีคือจิตใจที่ซึมซึมไม่ร้อนรู้หนาวไม่ใช่นะจิตใจที่มันปราดเปรียวมันว่องไว จิตใจนี้มันซื่อตรงในการรู้อารมณ์จะรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นจริงๆมีความซื่อตรงราคาเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามีราคะเนี่ยไม่ได้เกลียดราคะนะไม่ได้รักราคะไม่ได้ถูกราคาครอบงําในขณะเดียวกันไม่ได้เกลียดราคะโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ถูกราสาครอบงําในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เกลียดโทสะใจเป็นกลาง ใจจะเป็นกลางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้อย่างซื่อๆรู้อย่างตรงๆถ้าเมื่อไรใจเราสามารถรู้สภาวะธรรมทั้งหลายซื่อๆตรงๆได้ใจจะมีความสุดนะดยกตัวอย่างบางคนไม่สบายเรารู้ว่าเป็นมะเร็งสมมติว่าเป็นมะเร็งคนเป็นเยอะนะถ้าไม่อยากให้เป็นเมื่อไร่เราก็ทุกมากเลยแต่ถ้าเรายอมรับสภาพคนไหนไม่สบายเนี่ยร่างกายมันป่วย อยู่กับความเจ็บป่วยนะอย่างอย่างไม่ทรมานใจ ใ, นใจถ้ายอมรับสภาพได้รู้อย่างซื่อๆรู้อย่างตรงๆใจใจจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ถ้ารู้แล้วยินดียินร้ายขึ้นมาใจจะมีความทุกข์เี่ยเพราะงั้นเราต้องฝึกนะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้สติเกิดขึ้นหลายคนสงสัยหลวงพ่อพูดทีไรพูดแต่เรื่องสติก็สติเป็นธรรมะสาคัญนะสติ สติเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเกสติอันหนึ่งสัมปชัญญะอันหนึ่งสัมปชัญญะคือปัญญานั่นเองมีสติกับปัญญานี้แหละเป็นธรรมะที่สําคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงได้ที่แรกมีสติก่อนสติเป็นเครื่องะระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจทําไมเราต้องรู้กายรู้ใจเพราะความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจนะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่น ความทุกไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนนะควาทุกอยู่ที่จั ก, กายที่ใจเรามีสติรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจบ่อยๆในที่สุดเราจะเห็นธรรมดาของกายของใจเห็นการที่ใจเราเห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจเรียกว่ามีมีปัญญาเห็นธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของกายมันเป็นทุกข์นะกายมันไม่ได้เป็นสุขะเรานั่งเทศสบายไปเดี๋ยวเดียวก็มีความทุกข์บีบคั้นต้องเมื่อยนะ พอมันเมื่อยมันก็ต้องขยับไปเยื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถไปเปลี่ยนอิริยาบถประเดี๋ยวเดียวความทุกข์ก็ตามมาทันอีกแล้วต้องขยับตัวอีกนี่เป็นความทุกข์ตลอดเวลานะความทุกข์อันนี้อยู่ตลอดเวลาหรือเราหายใจเข้าเราหายใจออกเนี่ยก็เพราะว่าเรามีความทุกข์ถ้าอยู่หายใจหายใจไม่ออกมีความทุกข์มากนะหายใจเข้าไปแหมสบายใจรู้สึกโลง่งหายใจเข้าไปเรื่อยๆแพบ๊แพบเดียว จะมีความทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้วหายใจออกไปสักพักหนึ่งก็ทุกข์อีกต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายเราเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์เนี่ยไม่หายใจก็ทุกข์มีแต่ทุกข์บีบพันอยู่ตลอดนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคัน นานๆานก็มีความหิวนี่ความกระหายเกิดขึ้นมาเป็นระยะๆเดี๋ยวต้องการขับถ่ายปวด อ, อึปวดฉี่อะไรนี่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่แล้วก็มีความเจ็บป่วยบีบคั้นอยู่เจ็บป่วยที่ร่างกายมีแต่ความทุกข์นะแต่ถ้าเราอยากให้ร่างกายของเราสุขถาวรเมื่อไหร่เราจะมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเห็นสภาพความเป็นจริงในร่างกายทุกขร้วนๆเลยแล้วยอมรับสภาพนี้ได้นะจิตใจจะไม่ทุกข์ มันจะทุกแต่กายแต่ใจมันจะไม่ทุกนี่มาดูความจริงของจิตใจบ้างจิตใจไม่เที่ยงจิตใจของเราทํางานทั้งวันทั้งคืนจิตใจเราไม่เคยหยุดเลยนะคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาสังเกตไหมมีใครหยุดคิดได้ไหมหยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยหลวงพ่อจะได้รู้สึกยกย่องนับถือว่าผิดปกตินนะไม่ได้นับถือว่าอะไรเรานับถือว่าผิดปกติไปลนะใจของเราปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนคิดนึกทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลย มันไม่เที่ยงการคิดการนึกของมั น, น, มนเนี่ยเราบังคับมันไม่ไดนะ้อย่างใจมันจะคิดจะคิดดีหรือจะคิดร้ายนะบังคับมันไม่ได้นะใจจะสุขใจจะทุกข์ใจจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลบัง ค, บงคับมันไม่ได้ในการที่เรามีสติรู้ทันลงไปที่ใจเราเห็นเลยใจก็เป็นของบังคับไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงทำงานทั้งวันทั้งคืนเป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วมันทํางานของมันเองคอยดูลงไปนะ เพให้เห็นความจริงเนี่ยพอเรามารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจกายนี้ทุกร้วนๆ น, นะจิตใจก็ทํางานได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้เทั้งกายทั้งใจนี่เป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ ช, ว valid, ชว่วครั้งช่วงคราวทั้งกายทั้งใจนี่ไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจมีความทุกข์บีบกันทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเรากลายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจก็เป็นนามธรรมที่ทํางานของมันได้เองเป็นธาตุเหมือนกันเรียกวิญญาณธาตุเป็นธาตุ เราเห็นอย่างนี้มากเข้ามาเข้านะจิตใจจะค่อยวางค่อยคลายอแรกเลยละความเห็นผิดก่อนการปฏิบัติมันจะมีสองขั้นตอนการทำมิปั ส, สนาแล้มันจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกภาวนาไปเนี้ยรู้กายรู้ใจไปแล้วเราจะละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราจะเห็นไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เป็นธาตุหนึ่งเป็นนามธรรมา ท, ที่ทํางานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเรา นี่ขั้นแรกที่สุดล่าความเห็นผิดได้ได้เป็นทะโสดาบันนี้มาตามรู้กายมาตามรู้ใจต่อไปมาเรียนรู้ความจริงของเขาต่อไปอีกจนยอมรับความจริงใจมันยอมรับนะกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆนะ่ะทุกข์ล้วนๆพอเห็นกายนี้ใจนี้ทุกขล้วนๆมันจะปล่อยวางความยึดถือดันั้นขั้นแรกล่าความเห็นผิดขั้นสุดท้ายได้ปล่อยวางความยึดถือขั้นแรกไม่เห็นผิดแล้วอั น, นที่สองไม่ยึดถือ พอไม่ยึดถือกายได้เนี่ยมันจะไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายมันจะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายจิตใจจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายพอไม่ยินดียินร้ายตัวนี้คือละกามและปฏิฆาได้เป็นภูมิของพระอนาคามีนะังนั้นเราภาวนาไปวันใดเราไม่ยึดถือกายได้เนะียจิตจะส่งอยู่ในภูมิของพระอนาคามี จะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ไม่ยึดกายแล้วไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นตัวผู้รู้ผู้ดูเด่นตามรู้ตามดูต่อไปอีกส่วนใหญ่จะถึงตรงนี้ไปไม่ไหวล้วจะนิ่งนอนใจรู้สึกตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้สบายอยู่กับจิตผู้รู้แล้วมีความสุขมีความสบายแต่ถ้าคนไหนไม่นิ่งนอนใจหรือเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกไว้นะว่าจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกข์อีกเป็นตัวที่ต้องลา้าต้องวางอีก ตามรู้ตามดูมันก็ปิดไม่นิ่งนอนใจถึงวันหนึ่งกิเลสคือโมหะเนี่ยมันทนสติปัญญาไม่ไหวสติปัญญาเข้าไปซักพอกไปเรียนรู้อยู่ที่จิตที่ใจมากเข้ามากเข้าเนี่ยเขาจะเห็นเลยจิตใจนี้ก็ไม่ใช่เรานะวางองไปมันรู้เลยว่าถ้าหยิบฉวยจิตเอาไว้ยึดถือจิตไว้ยังทุกข์อยู่ถ้าวางแล้วคนทุกข์เพราะวางคราวนี้วางนี้โลกกระทาสั่นสะเทือนสะเทือนจากใจเรา น, ะนั่นเองไม่ใช่โลกข้างนอกสะเทือนหรอก ใจมันสั่นสะเทือนมันรู้เลยว่าที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่เราสามารถวางความยึดถือในขันในกายในใจลงไปได้เด็ดขาดนี่แล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกความสิ้นทุกข์อยู่ตรงนี้ดัาการภาวนาเนี่ยมีสองขั้นนะขั้นแรกมารู้กายรู้ใจวนเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราขั้นที่สองหมดความยึดถือในกายในใจ นี่ทำไงถึงจะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราพวกเราเองเกิดความรู้ผิดความเข้าใจผิดตลอดเวลาเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดมาตลอดเวลาในสังสารวัตถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกนะเราก็ยังสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดตลอดไปเราจะรู้สึกว่ามีเรามีเขามีคนมีสัตว์นะมีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนมีเรามีเขาเราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะเราครอบคลุมความเห็นผิดอย่างนี้มาตลอดเวลา ลองนึกดูนะเวลาเราลืมตาขึ้นมาพอเรามองออกไปเนี่ยเห็นไ้ยเห็นคนไหมเห็นพระไหมโยมเห็นพระไหมเนี่ยเราเห็นพระพรานี้เป็นภาพหลวงตานะตานี้เป็นภาพหลวงตาเราเห็นคนเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นเด็กเห็นคนแก่เห็นหมาเห็นแมวเห็นต้นไม้เห็นเลยสิ่งนี้คือภาพหลวงตาทั้งหมดเลยสิ่งที่ตาเห็นแท้ๆเราไม่เคยรู้จักเพราะเราไม่มีสติตัวจริง เราไปเห็นแต่สิ่งที่เป็นสมมุติบัญญตัติสิ่งที่คิดที่นึกขึ้นมาดังนั้นลองสังเกตให้ดีสิ่งที่ตาเรามองเห็นนะคือรูปภาพอะไรนัีน่คือสีสีที่ตัดกันมีสีสีเหลือสีเขียวสีแดงอะไรหลังเนี้ยมาตัดกันตัดกันแล้วออกมาเป็นรูปภาพอย่างนี้ใจเราก็เกิดความสําคัญมั่นหมายขึ้นมาเอารูปอย่างนี้ได้ว่าคนผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะเรียกหมาเรียกแมวเนี่ย ใจมันจะมีความสําคัญมั่นหมายมีคนมีสัตว์ขึ้นมาแล้วมีเรามีเขาขึ้นมาเนี่ยเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดเพราะเราไม่เคยเห็นรูปตัวจริงรูปที่ตามเมาเห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมันคือสีเท่านั้นเองสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆแล้วความจําหรือสัญญาะความจําของเราเนี่ยเข้าไปหมายรู้เอาว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์นี่เป็นผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่ชื่อนี้ชื่อนี้นะ เราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดว่ามันจะมีคนมีสัตว์มีเรามีเขานะตลอดเวลาที่ลืมตาดูแล้วก็มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาเวลาหูได้ยินเะสียงก็สะสมความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอีกนะได้ยินเสียงหมาเสีย <ingle>. งแมวเสียงคนนะเสียงนกเสียงเราพูดเสียงคนอื่นพูดเนี่ยนั้นสะสมอย่างนี้ความจริงสิ่งที่เราหูไปได้ยินจริงๆแค่คลื่นเสียงสูงสูงต่ำต่เท่านั้นเองแค่คลื่นเสียงเท่านั้นเอง แต่เราก็ไปสําคัญมั่นหมายว่าคลื่นเสียงนี้แหละคือเสียงคนเสียงสัตว์ต่อไปได้อีกนะเป็นเสียงชมเสียงด่าได้อีกนะอพอมีเสียงชมเสียงด่าขึ้นมาใจชักเดือดเดือดนะหรือใจหลงลําทองยินดีขึ้นไปใจเราสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดเวลาเรานั่งคิดสัง เ, เกตไหมเราก็คิดว่าเราอย่างง้นเราอย่างงี้คิดทั้งวันนะเราอย่างง้นเราอย่างนี้เคิดอยู่อย่างเงี้ยคิดแต่ว่ามันมีเราะ เราจะทำํำคนโน้นเราไม่ทําอันนี้นะคนโน้นมาทําเราเราไปทําคนโน้นตอนนี้นะจะมีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราคิดเราก็สะสมความเห็นผิดว่ามีตัวเราความจริงมันก็แค่ความคิดเท่านั้นเองความคิดเหมือนภาพลงตานะเหมือนพยายามแดดเหมือนเหมือนผีหลอกหลอกๆขึ้นมาไม่ได้มีอะไรแค่คิดคิดขึ้นมาเท่านั้นเองแต่คิดคิดขึ้นมาด้วยความรู้ผิดความเข้าใจผิดแล้วคิดขึ้นมาแล้ ว, ม, ลวมีเรามีเขามีคนมีสัตว์ขึ้นมา แม้ตลอดเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราจะรู้สึกว่ามีสัตว์มีคนะมีตัวตนมีเรามีเขาสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดอย่างนี้ตลอดนะเวลาในสังสารวัตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาภาวนาเนี่ ย, ท, ย ท, ทันทีที่สติตัวจริงเกิดทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยสติจะระลึกรู้สภาวะธรรมนะระลึกได้เลยว่าสิ่งที่ตามองเห็นนี้แค่รูปแค่สีเท่านั้นเองมันระลึกได้นะมันรู้เลย ตามองเห็นแค่รูปแค่สีเท่านั้นหูได้ยินแค่เสียงคลื่นเสียงที่สูงสูงต่ำต่ำมันรู้ว่าจริงๆแค่นั้นเองใจมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนะเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาเนี่ยสติเราลึกปั๊บลงไปเราจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนความโกรธเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความโกรธความโกรธที่ผุดขึ้นในใจเนี่ยลงมีสติดูเข้าไปสิ จะเห็นเลยมันเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมที่ผ่านมาช่วครั้งช่วคราวแล้วก็ไหลผ่านไปนี่จะเห็นอย่างนี้นะความโลภก็เหมือนกันปุดขึ้นมาปั๊บสติตัวจริงไปเห็นนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นเลยเป็นแค่นามธรรมอันหนึ่งปุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยสภาวะธรรมทั้งหลายความสุขะก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความทุกข์ก็ไม่ใช่สัตว์คนเราเขาเป็นแค่สภาวะธรรมที่ปุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไป เนี่ยถ้าเรามีสติตามรู้ตามเห็นมากๆเร่าร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะถ้าสติตัวจริงเกิดเราจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่ขยับข่ายืดเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งะบางทีจิตก็สั่งได้บางทีจิตก็สั่งไม่ได้นะไม่ใช่สั่งได้ทุกทีเนี่ยเราจะเห็นเลยไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ตัวที่นั่งอยู่นี้ตัวที่ขยับข่ายืนเนี่ยเป็นวัตถุรูปลงไป เนี่ยพอเรามีสตินะเราลองรูปมือเนี่ยรู้สึกไหมเป็นท่อนๆอนอะไรท่อนหนึ่งไม่ใช่คนหรอกเป็นท่อนอะไรก็ไม่รู้นะแข็งแข็งนี่คือธาตุดินนั่นเองเราเข้าไปเห็นความจริงมีสติเเห็นด้วยความจริงนี่มันธาตุดินไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา <Yeah. S 2> พอเราสติเกิดบ่อยๆนะดูลงไปในกายดูลงไปในใจบ่อยๆจะค่อยเห็นความจริง สภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งกายทั้งใจไม่มีความเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาดูไปอย่างนี้นะใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นทีแรกตกใจก่อนทีแรกดูไปดูไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเราหายไปไหนนี่ภาวนาไปช่วงหนึ่งอย่าเริ่มตกใจตัวเราหายไปตัวเราหายไป พอเห็นว่าตัวเราหายไปอกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่เรานะอะไรอะไรก็ไม่ใช่เราความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่เราแต่ผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นหลายแบบพวกหนึ่งจะรู้สึกกลัวจะรู้สึกน่ากลัวมากตัวเราหายไปแล้วอีกพวกหนึ่งจะรู้สึกเวื้งวางตายแล้วหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตัวเราหายไปแล้วอีกพวกหนึ่งรู้สึกเบื่อเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลย ไม่รู้จะดิ้นรนสแสวงหาอะไรต่อไปแล้วกระทั่งมรรคผลนิพพานก็ไม่อยากได้นะเ อ, อเพราะว่าไม่มีตัวเราสแล้วเมื่อตัวเราหายไปเนี่ยใจมันจะรู้สึกอย่างนี้ตรงนี้เป็นกลางกลาทางของการปฏิบัตินะให้มีสติรู้ลงไปที่ความรู้สึกแปลกปลอมพวกนี้อีกความรู้สึกแปลกปลอมเช่นความเบื่อความกลัวความรู้สึกเวงวางนั้นจะกระเด็นหายออกไปแล้วใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกทีหนึ่ง พอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้ก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกคราวนี้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาไหลไปแล้วใจมันจะไม่หลงเข้าไปยินดียินร้ายแล้วมันรู้นี่ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลนกุศลก็ชั่วคราวจิตมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางทุกวันนี้จิตเราไม่เป็นกลางสังเกตไหมพอมีความสุขเราก็ยินดีมีความทุกข์เรายินร้ายแลมีกุศลในพวกคนดีมีกุศลแล้วยินดีมีอากรศลแล้วยินร้ายในพวกคนชั่วมีกุศลแล้วยินร้ายนะ ไม่จําเป็นว่ามีกุศลเราจะต้องยินดีเอี่ยงพวกเราพวกคนดีชาววัดชาววานักปฏิบัติจิตใจเป็นกุศลเราชอบจิตากุศลเราไม่ชอบเนื่อใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบเนี่ยมันทําให้เกิดการดิ้นรนทางใจขึ้นมาจิตจะดิ้นรนทํางานขึ้นมาการดิ้นรนทางใจเรียกว่าปบนะพราะนั้นเวลาที่จิตของเราไปรู้ไปเห็นสภาวะเขาแล้วมันหลงยินดียินไล่ขึ้นมามันจะเกิดการทํางานทางใจขึ้นมาทันที การทํางานทางใจหรือพบเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นเลยมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยนะอย่างแค่อยากจะฟังคําก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์นะอยากมาสาลาลูชินโนาะมาทันไม่ทันนัดเพื่อนไว้มันก็ช้าชักโมโหอีกนะใจมันเก้าร้อนรถติดกว่าจะเลี้ยวเข้ามา ไ, ได้ติดหลายรอบอะไรนี้นะแถมจอดไกลอีกจะทันไม่ทัน จะได้ที่นั่งตรงไหนเนี่ยมันมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นเลยกระทั่งคนดีๆก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์เนี่ยแต่ถ้าสติปัญญามันเฉียบแหลมมากขึ้นมากขึ้นเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลนะ่ะกุศลของชั่วคราวทั้งหมดเลยที่มีปัญญาขึ้นมาแล้วใจจะเป็นกลางนะความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นไม่หลงยินร้ายรู้ว่าชั่วคราวกุศลกเ surgeon, ิดขึ้นก็่ะรู้วว่่าชกุาว ใจที่มีปัญญารู้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายชั่วคราวเนี่ยใจอย่างนี้มีปัญญาปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารู้เบิกขาใจมันจะเป็นกลางใจมันจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วความปรุงแต่งที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายนั่นใจจะเป็นกลางเพราะรู้ว่าความปรุงแต่งทั้งหลายของชั่วครั้งชั่วคราวนี่พอใจเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นใจไม่ทํางานต่อสักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วจบลงแค่การรู้ ความชั่วหรือความทุกข์เกิดขึ้นใจก็รู้มันไปแล้วก็เป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นจบลงแค่การรู้ไม่ปรุงแต่งต่อใจที่ไม่ปรุงแต่งต่อนี่เป็นใจที่เข้าใกล้มรรคผล น, นิพพานนะส่วนใจที่ดิ้นรนปรุงแต่งนี่เป็นใจที่กีดกั้นตัวเองออกจากมรรคผลนิพพานไม่มีใครกรีดกันพวกเราออกจากมรรคผลนิพพานนะใจที่ปรุงแต่งของเราเองนี่แหละกีดกั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานเพราะนิพพานคือธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่ง ถ้าใจเราปรุงปรุงสังเกตไหมคิดทั้งวันหนยปรุงทั้งวันคิดดีคิดร้ายปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกนะอยากนอนอยากนี่แล้วก็ดิ้นดินดินไปด้วยนะตรงที่มันดิ้นดินดินไปเรื่อยเนี่แหละมันทำให้เราไกลนิพพานออกไปทั้งทั้งที่นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานะแต่เราไม่เห็นเพราะเรามัวแต่เห็นความปรุงแต่งเห็นแต่สิ่งที่ปรุงแต่งหรือหลงไปเลยก็คือเห็นสิ่งที่สมมุติบัญญัติคิดนึกขึ้นมาเองไม่ใช่ของจริงเลยเนี่พอใจเราหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งนะ ใจจะรวมเข้ามาใจจะเข้าอัปปนาสมาธินะเข้าเองไม่ต้องเชื้อเชิญให้เข้านะเข้าเองพอใจจะรวมเข้ามาแล้วเนี่ยสภาวธรรมจะปรากฏขึ้นอีกคราวนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีสมมุติบัญญัติสภาวธรรมจะเกิดดับสองขณะบ้างสามขณะบ้างแล้วแต่คนแตนะพวกที่ปัญญาแก่กล้ามันเกิดสองขณะนะพวกปัญญาไม่แก่กล้าเกิดสามขณะเกิดขึ้นมาระดับไปเกิดขึ้นมาระดับไปตรงเนี้จิตจะมีขันติ ขันติ ค, คือความอดทนอดกลั้นอย่างสูงเลยอดทนอดกลั้นต่ออะไรต่อความปรุงแต่งไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงตรงนี้เขาเรียกว่าอนุรมยานอนุรมยานเนี่ยธรรมะสาคัญในอนุรมยาญนก็นคือขันตินี่เองมน โ, อ โ, โนอดทนอดกลั้นต่อความปรุงแต่งไม่เติมอะไรรู้แล้วไม่เติมอะไรลงในการรู้รู้แล้วจบลงแค่รู้จริงๆไม่เติมกระทั่งบัญญัติลงไปว่าสิ่งที่รู้นี่คืออะไร ไม่มีอะไรเลยจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับอยู่ถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะวางนัำ้ำจะตัดกระแสการรู้สภาวะซึ่งเป็นตัวทุกข์สภาวะธรรมทั้งหลายนี่คือตัวทุกข์ล้วนๆเลยแล้วมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะแล้วก็มรรคก็จะเกิดขึ้นมันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ่มจิตใจของเราออกจิตใจจะเป็นอิสระขึ้นมาช่วงครั้งช่วงคราวนะอิสระขึ้นมาประเดี๋ยวประดาวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละสองสามขณะเท่านั้นแล้วความห่อพุ่มก็กลับเข้ามาใหม่ จิตถอยออกมาจากสมาธินะความรู้สึกนึกคิดกลับมาใหม่คราวนี้ทวนเข้าไปดูตลอดเวลาที่ผ่านมานี่เป็นความหลงผิดว่ามีตัวเราแท้จริงเมื่อจิตหยุดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงแล้วตัวเราไม่มีเนี่ยจิตไม่เกิดปัญญาแจ้งแทงตลอดเลยตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีมันเข้าไปเห็นนิพพานมาครั้งหนึ่งเนี่เลยรู้ว่าตัวเราไม่มีนี่เป็นทะโสดาบันนะนี่ยขั้นที่หนึ่ง ล่าความเห็นผิดว่ามีตัวเราต่อไปก็ดูกายดูใจต่อไปอย่างนี้แหละดูอย่างเดิมนี่แหละแล้วมันพัฒนาไปสู่การหมดความยึดถือเองเพราะมันจะฉลาดมัรู้ว่ายึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นแต่ยึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นอยากเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นพอใจมีความอยากนะใจก็เข้าไปยึดถือเข้าไปดิน้นรนใจเป็นทุกข์จะเห็นอย่างนี้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ำอี ก, อ ก, อกจนกระทั่งใจนี้มันดีดตัวไปจากโลกของความปรุงแต่งได้ะหมดความยึดถือในกายในใจได้ ในเส้นทางปฏิบัตินะจริงๆหลักๆมีเท่านี้เองส่วนวิธีการเนี่ยก่อนที่เราจะมามีสติได้มีปัญญาไดเ้เราก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีต่า ง, างๆเยอะแยะไม่ใช่อยู่ๆก็น้อมใจเข้าหาความว่างใช้ไม่ได้นะอยู่ก็คิดถึงความว่างอะไรนี้เหลวไหลพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเราจะต้องค่อยๆฝึกตัวเองนะการปฏิบัติการฝึกหัดนั้นมันก็มีสองอันสมถากิปัสสนาจาเป็นทั้งคู่นะ ไม่ใช่หลวงพ่อไม่สอนสมถะนะนี่พวกเราส่วนใหญ่ทําสมถะมาผิดผิดถึงต้องนั่งแก้สมถะที่พวกเราทําส่วนมากมันคือมิจฉาสมาถีเพ่งเอารูกเดียวเพ่งเพ่ ง, เ พ, งเพ่งให้ใจนิ่งนิ่งทือท่อๆเคิ้มเคมลิมลืมเนื้อลืมตัวจิตใจที่ลืมเนื้อลืมตัวเคลิ้มเลิมมันใช้ไม่ได้นะจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานต่างหากเราถึงจะใช้ได้ดังั้นเราหัดภาวนาเราสังเกตดูใจเราเบื้องต้น ทำกรรมาฐานสักอันหนึ่งก่อนนี่หลวงพ่อพูดทุกล่าวนะไปฟังในซีดีเก่าๆมีทุกแผนนะเบื้องต้นทํนากรรมฐานขึ้นมาสัานพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องผองยุบก็ได้ยกเท้ายั่งเท้าก็ได้รู้อิริยาบถสีก็ได้นะทำจังหวะ ก, การเคลื่อนไหวมือก็ได้นะบางคนไม่อยากเคลื่อนไหวมือทั้งมือมันเมื่อยขยับแค่นี้ก็ได้นะคือมีเครื่องอยู่ขึ้นมาหนึ่งก่อนให้จิตมันมีเครื่องอยู่ เครื่องอยู่ของจิตการที่เราน้อมจิตเข้าไปมีเครื่องอยู่เนี่ยมันได้สมถะอัตโนมัตินะพอเราน้อมจิตไปอยู่ในเครื่องอยู่นี่แล้วต่อไปถ้าจิตเราฟุ้งซ่านนะเราก็อยู่กับอารมณ์เดียวนั้นไปนานๆจิตมันจะสงบมีเคล็ดลับของการทําสมถะเคล็ดลับกว่าหลวงพ่อจะเรียนเคล็ดลับได้เหนื่อยแทบายเลยนะใหม่ๆก็เหมือนพวกเรานะบังคับเอาบังคับเอาเคล็ดลับของความสงบเนี่ยอยู่ที่ความสบายจําไว้นะคนไหนชอบทําสมถะ จิตจะจิตสบายมันถึงจะสงบถ้าจิตไม่สบายจิตจะไม่สงบเพราะงั้นการทํากรรมฐานถ้าจะทําสมถะกรรมฐานเบื้องต้นเนี่ยต้องให้สบายก่อนอย่างเวลาบางคนฝึกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยให้ผลที่ต่างกันหายใจเข้าเนี่ยจิตใจจะไม่ค่อยสบายหรอกแต่หายใจออกจิตใจจะผ่อนคลายงั้นเริ่มต้นกรรมฐานนะหายใจออกก่อนถ้าใครจะทำอนาปานสติหายใจออกไปเอาทดลอง ทดลองดูด้วยตัวเองนะว่าหายใจเข้ากับหายใจออกเนะี่ยเริ่มต้นปฏิบัติด้วยการหายใจเข้ากับเริ่มต้นปฏิบัติด้วยการหายใจออกเนี่ยความรู้สึกต่างกันยังไงเอาทดลองหลวงพ่อจะได้ฉันน้ำให้ลองสามสิบวินาทีสัมผัสได้บ้างยังอย่างถ้าเราภาวนานะเริ่มต้นเราหายใจออกใจมันจะผ่อนคลาย แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าแล้วใจจะแข็งแข็งมันจะอัดเข้ามาแล้วเริ่มหายใจออกก่อนสบายนะเวลาเรากลุ้ม อ, อกกลุ้มใจถอนใจสักเพล็กหนึ่งถอนใจนะแต่อย่าถอนตลอดเวลานะเดี๋ยวคนเขาคิดว่าบ้านะอย่างเงี้ไม่ได้นะออย่างเงี้เหมือนหมาบ้าหมาหอบแดด น, นะเวลาเรากลุ้มๆนะนี่หายใจอย่างนี้นะนี่ยรู้สึกไหม ใจจะผ่อนคลายพอใจผ่อนคลายแล้วเราก็ระลึกรู้ไปหายใจไปอย่างสบายด้วยใจที่ผ่อนคลายเนี้ยพอเดี๋ยวเดียวก็จะสงบนะนี่เป็นเคล็ดลับนะง่ายๆทําใจให้มีความสุขเราจะสงบง่ายแค่เราอยากจะให้ใจสงบในะแค่เรากราบพระเนี่ยเราทําความรู้สึกในใจเราเหมือนว่าพระพุทธเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าเราเรากําลังกราบลงแทบเท้าของท่านทําความรู้สึกในใจอย่างนั้นนะว่าเรากำลังกราบลงแทบเท้าพระพุทธเจ้าเลย จิตแจนจะเกิดปีติขึ้นมาจะมีปีติมีความสุขบางคนกราบน้ําตาร่วงเลยนะบางสาํานักเ้าสอนกันบอกฝึกกรรมฐานเจ็ดวันน้ําตาร่วงสอบผ่านขอหลวงพ่อกราบพระเฉยๆก็น้ําตาร่วงแล้วนะวัดเดียวนั่นแหละเนะี่ยมันง่ายนะสมถามไม่ยากอะไรหรอกนะส่วนจะทําให้เต็มรูปแบบให้ถึงฌานสมบัติเนะี่ยค่อนข้างจะยากสําหรับคารวะนะเราไม่ค่อยมีเวลาวันๆหนึ่งใจเราฟุ้งซ่านเยอะแต่ว่าสมถานะจําเป็น จำเป็นมีประโยชน์วันใดที่จิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ทําใจให้สบายให้ใจเราสงบนึกถึงปรบาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านะกราบพระไปสวดมนต์ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าไปในะจิตใจก็สงบแค่นี้ก็ทําได้ละหรือหักพุทโธไปก็ได้พุทโธเล่นๆ น, นะอย่าไปเคนใจตัวเองไม่ใช่พุทโธให้สงบนะพุทโธพุทโธไปพุทโธให้อย่างเบิกบานใจคิดถึงพุทโธด้วยความเบิกบานใจแต่เดี๋ยวเดียวก็จะสงบ แต่ถ้าใจมีความสุขใจจะสงบง่ายๆนะกรรมฐานสมาธนี่วันใดที่จิตใจของเราสงบแล้วสบายแล้วแล้วเราก็ทำกรรมฐานอย่างเก่านี่แหละแล้วเราหัดรู้สภาวะตรงนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะเป็นการจะหัดให้เกิดสติในชีวิตประจำวันละวันใดที่จิตใจฟุ้งซ่านทำสมาธให้สงบตอนไหนสงบแล้วเนี่ยทาสมาธิทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละเช่นพุทธโธหายใจไปเงี้ยแล้วหัดสังเกตใจของเรา ใจของเราแอบไปคิดเราก็รู้ทันใจของเราไปเพ่งเรารู้ทันใจของเราฟรุ้งซ่านเราก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นกุศลนะกุศลโลภโลกรดหลงแต่ละอย่างแต่ละอย่างค่อยรู้ไปเรื่อยๆค่อยรู้ตามรู้ตามดูเรื่อยๆนะจิตมันจะค่อยๆจําสภาวะได้ทีละอย่างสองอย่างเช่นมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงจิตที่เผลอไปคิดเป็นยังไงจิตที่เพ่งเป็นยังไงนะสองตัวนี้ตัวหลักๆนะ แต่ตัวอื่นก็ตัวรองรองลงมาถ้าเผลอไปแล้วไปคิดดีคิดร้ายขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโลกรดหลงขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นของที่ตามมาหัดรู้ไปเรื่อยๆพอจิตใจเราจําสภาวะได้มากจําสภาวะได้แม่นแล้วเนี่ยจิตมันจะเกิดสติในชีวิตประจําวันขึ้นมาเองมีสติในชีวิตประจําวันเช่นเราเดินเดินอยู่นะเห็นหมาบ้าวิ่งมาเนี่ยใจเราไหววาบเลยกลัว สติระลึกได้นะความกลัวปุดขึ้นมาลนะเห็นความกลัวปุดความกลัวจะดับไปเลยเราจะตั้งสติได้ไม่ตกใจวิ่งไปหาหมาบ้าไม่วิ่งนะแล้วก็ไม่ใช่งโง่ยืนให้หมาบ้ากัดนะไม่ใช่เออถ้าไม่มีเวรต่กรรมมีม่เวรมีกรรมกันมันก็ไม่กัดเราหรอกถ้าอาดีตชาติเราเคยกัดมันก็เชิญมากัดเรานะ อ, อ, อย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานโง่นะไอ้วิธีนี้เขาเอาไว้ใช้เมื่อหนีไม่พ้นแล้วนะ อย่างถูกต้อนไปจนมุมแล้ว เ, ออเสือจะกินแล้วออถ้ามีเวนมีกรรมกันก็เชิญกินเถอะเนี่ยคิดอย่างนี้เราจะได้สบายใจยอมตายอย่างสบายใจนะไม่ใช่เห็นมาบ้าวิ่งมาแล้วแต่เวนแต่กรรมไปกวางหน้ามันนะอย่างนี้กรรมาฐานโง่นะต้องรู้จัก ร, รักษาตัวเองให้ได้นะมีปัญญารักษาตัวเองให้พ้นไัยให้ได้หลบหลีกนะครูบาอาจารย์ก็หลบหลีกนะไม่ใช่ไม่หลบหลีกนะเราชอบไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่แต่งทีหลังอนะ มันจะมีปฏิหารมากมายเลยอย่างบอกว่าหลวงปู่ฟัน้นพาท่านอาจารย์สมชายตอนนั้นยังบวชใหม่ๆ่าออกทุดงไปไป ก, กลางกรวดอยู่ในป่าพอช้างป่ามาเนี่ยอาจารย์ฟั้นก็แพพลังช้างวิ่งหนีไปหมดเลยอนะาจารย์สมชายท่านไม่ได้เล่าอย่างนั้นเลยอาจารย์สมชายบอกพอช้างมานะหลวงปู่ฟั่นท่านรู้ก่อนแล้วว่าช้างจะมาเพาท่านชํานาญป่าแต่ท่านพาหนีนะ หนีขึ้นโขดหินไปขึ้นเขาไปนะก็ อ, อยู่บนที่สูงๆแล้วก็ดวนช้างมันเหนียวไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็นั่งดวนกดช้างมาแล้วช้างไม่ยอมไปสตรีช้างเวียนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะถ้าเอานกหวีดไม้ไผ่ขึ้นมาเป่าเป่าปีา๊ดเนี่ยช้างตกใจช้างวิ่งหนีไม่ใช่แพลพลังแล้วช้างหนีนะช้างตกใจเสียงประหลาดประลาดแล้วหนีเราชอบคิดอะไรให้ปฏิหารนะชาวพูดเอย่ามันมีนะปฏิหารนะแต่อย่าให้ปฏิหารครอบใจเรา เหตุผลน่ะสำคัญงั้นอย่างใจเราเห็นมาบ้าวิ่งหมากลัวรู้ว่ากลัวแล้วหลบหลีกเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบถ้ายัางไม่มีเมียจะเดินตามดูก็ไม่เป็นไรนะอถ้ามีเมียแล้วก็อย่าไปดูเขาเดี๋ยวเห็นเมียหน้าเกลียดน่ะจะไม่สบายใจนะเนี่ยต้องรู้จักมีปัญญานะทําอะไรแล้วจะสบายทําอะไรแล้วไม่สบายก็ต้องเลือกเอา่ไม่ใช่โง่ไปเที่ยวดูสาวสวยตลอดเวลานะจิตใจก็ไม่สบาย แม้เราจะมีสติมีปัญญารักษาตัวเองอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยตามองเห็นรูปรู้สึกเลยใจยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันหูได้ยินเสียงใจมันยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันใจมันคิดเนี่ยเกิดความยินดียินไล่ขึ้นมารู้ทันคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยเร่อยรู้มากเข้ามากเข้าต่อไปปัญญามันจะเกิดที่จะเห็นเลยว่าความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยของปลอม คามรู้สึกทั้งหลายแปลกปลอมมาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะกลับมาตรงนี้ได้ตัญญามจะเกิดเห็นเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูลงไปอย่างนี้เราเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะดูเข้าไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเจ็ดวันเป๊ะนะไม่ใช่เจ็ดเดือนเป๊ะเจ็ดปีเป๊ะมันหมายถึงคําว่าเจ็ดภาษาแขกแต่ว่าไม่มากไม่นานไม่มาก ไม่นานไม่มากอาจจะเจ็ดชาติก็ได้การภาวนาหน้ากว่าจะค้นคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่ทําประเดียวประดาวนะหลายคนภาวนาแล้วกะเลยจะต้องบรรลุในเจ็ดเดือนก็ไปอ่านเจดเดือนบรรลุธรรมของดังตรินมากะ <g ül üyor> ว่าเจ็ดเดือนต้องบรรลุไม่บรรลุหรอกนะเพราะอะไรถ้าอินทรีย์แก่กล้าไม่พอไม่บรรลุถ้าเราสะสมกอเรามาพอแล้วเจ็ดวันก็มีนะ มันอยู่ที่ว่าเราสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกได้แค่ไหนก็ลตลอดชีวิตตลอดสังสารวัตน์นี่สะสมแต่ความรู้ผิดเข้าใจผิดที่หลวงพ่อบอกมเมื่อช้าเมื่อกี้เนี้ยตามมองเห็นก็เห็นคนเห็นสัตว์เนี่ยหูได้ยินเสียงก็มีเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเราเสียงเขาคิดขึ้นมาก็มีเราอย่างงู้นเราอย่างงี้เข้าอย่างนั้นเขาอย่างนี้นี่มันสะสมอยู่อย่างเงี้ยตั้งหลายสิบปีหลายร้อยปีมาปฏิบัติธรรมมาสะสมความรู้ถูกเข้าใจถูกจะรีบร้อนไปถึงไหน กว่าน้ำดีจะไล่น้ำเน่าหมดก็ใช้เวลาเหมือนกันนะต้องอดทนเพราะฉะนั้นต้องอดทนในการฝึกฝนตัวเองมันคือการลงทุนที่หลวงพ่อบอกลงทุนให้ตัวเองลงทุนแล้ววันหนึ่งเยจิตใจจะเปิดโลกขึ้นมาจิตใจจะมีความสุขมีความสว่างสวัยมีความสุขที่สุดเลยนะไม่รู้จะสุขอะไรเหมือนเลยจิตใจที่สัมผัสกับความสุขความสงบจากการปฏิบัติเนี่ยจะเข้าไปสัมผัสแรกๆน้ําตาตกเลยนะน้ำตาร่วงเลย ว่าอะไรมันถึงขนาดนั้นธาตุขันร่างกายจิตใจมนุษย์นี่มันแทบจะรองรับความสุขอันนี้ไม่ไหวเลยมันถึงขนาดนั้นเหมือนร่างกายจิตใจนี่จะแตกสลายเพราะว่าทนรับความสุขขนาดนั้นไม่ไหวแี่ยพออยู่ไปอยู่ไปไมันค่อยชินเข้าชินเข้าก็อยู่ไหวครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าหลวงปู่สุวัตท่านบอกว่าพอภาวนาท่านภาวนาแจ้งแนละ้วเนี่ยภาวนาแจ้งแนละ้วท่านมีความสุขอยู่ปีกว่า หลังจากนั้นก็เลยใจเป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาท่านก็มีความสุขเยอะนะเพียงแต่ว่าธาตุขันธ์ของท่านเนี่ยรองรับความสุขนี้ได้สบายละวทีแรกหมายความสุขนั้นมันรุนแรงอยู่ตั้งปีกว่าหนึงสิเป็นพวกเรามีความสุขประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมมีความสุขไม่กี่วินาทีเช่นเปียรแชร์ได้มีความสุขในขณนะเปียรแชร์เห็นไหมเปียได้ผู้หดีใจเดี๋ยวความทุกข์ตามมาอีกเป็นปีเลยเห็นไหมไม่เหมือนกรรมฐานนะ มีความสุขแล้วมีความสุขอยู่นานสุขอเป็นปีๆถัดจากนั้นใจเข้าไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่สุขแบบรุนแรงแล้วคราวนี้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยความร่มเย็นไปเจอท่านที่ไรท่านก็บอกว่าสุขแท้นอสุขแท้นอ่ะตอนอย่างนี้นะบอกว่าเมื่อเราบวดทีแรกเราไม่นึกเลยว่ามันจะมีความสุขได้ขนาดนี้บวดมาภาวนามามันสุขแท้นอสุขแท้นอ่ะนะเจอที่ไรบวชแต่ว่ามีความสุขนะ ของพวกเราอะเจอปลาแล้วบนว่าอะไรลูกดือ้อสามีเจ้าชู้เห็นมัวหน้าเฮงซวยนะไม่เห็นสุขแท้นอเลยนะมีแต่สุกกอไก่นะงั้นต้องลงทุนนะลงทุนให้ชีวิตของเราเองเพื่อชีวิตที่จะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราไม่ลงทุนเราปล่อยให้กิเลสลากเราทูลู่ทูล ก, กังไปเรื่อยๆเราก็จะทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นจิตใจของเราถ้าหัดภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะรู้สึก จะมีก้อนในหน้าอกเนี่ยนะช่วงไหนจิตใจเราทําบาปหยาบช้ามานะก้อนนี้หนักนะก้อนนี้ใหญ่แล้วก็หนักมากด้วยนะถ้าช่วงไหนจิตใจเราปลอดโปร่งล่งเบาจิตเป็นกุศลก้อนนี้ค่อยสลายตัวรู้สึกไหมเบาสลายไปกนะ้อนนี้หนั ก, ห น, กหนักมากมเนี่ยนะภูมมนุษย์รองรับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจิตใจที่ชั่วร้ายมากๆก้อนนี้จะหนักมากขนาดที่ตายไปเนั้นมันจะถูกทวงให้ต่ําลงไปต่ําลงไป ตามลงไปถึงดีกรีที่พอเหมอพอควร ก, กับกรรมของมันนั่นแหละในขณะที่จิตใจที่โปร่งโล่งเบานะจิตใจมันก็ลอยสูงขึ้นไปแต่ไม่ใช่สวรรค์อยู่ข้างบนนรกอยู่ข้างล่างนะอันั้นเป็นความรู้สึกเท่านั้นไอ้ที่อยู่ใต้เรานี้ไม่ใช่นรกแต่เป็นอเมริกานะนะใจเรานี่เองใจเราใจเรามีความสุข ดูอะไรก็มีความสุขไปหมดโลกนี้ปลอดโปร่งโล่งเบาเห็นไหมเรามีเราสวัสค์ตอนนี้เลยใจเรามีความทุกขนะ์โลกนี้ทุกทั้งหมดเลยใจเราพ้นความปรุงแต่งเราก็พ้นโลกเลยแคนะ่อยู่ที่ใจนี่เองนะวันนี้พอสมควรโยมมีอะไรจะคุยให้หลวงพ่อฟังก็เชิญนะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ถามนะมีอะไรจะคุยก็เอาจริงๆแล้วคำถามในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นส่วนเกินนะ คำถามทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการคิดเอาถ้าหากใจของเราเกิดความสงสัยว่าการปฏิบัติยังไงจะถูกต้องรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ถ้ารู้สึกปฏิบัติแล้วแหมหมู่นี้ดีใจมันพองขึ้นมารู้ว่าใจมันพองรู้สึกว่ากูเก่งแล้วกูเก่ ง, แ ล, กกงแล้วรู้ว่ากูเก่งเพราะงั้นจริงๆแล้วคําถามในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นส่วนเกินส่วนเกินจริงๆนะไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งว่า หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยถามอยู่อย่างเดียวที่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ที่หลวงปู่สอนอย่างนี้ผมไปทําแล้วเป็นอย่างนี้ถูกหรือผิดถ้าผิดถนะ้าจะแกกลับปรุงตรงไหนจะกินยังไงจะถูกถ้าถูกแล้วจะทํำยังไงให้ดีกว่านี้จะสอนถามท่านอยู่แค่เนี้ยสิ่งที่เราทําก็คือทําความสงบเข้ามาบ้างนะพอจิตใจสงบแล้วรู้กายรู้ใจไปการปฏิบัติมีเท่านี้เองท่านบอกก็ถูกแล้วะ อย่าทำอะไรยิ่งกว่านี้นะเมื่อจิตมีสติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรยิ่งกว่านี้ให้มีสติไปเรื่อยๆแต่พอเรามีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่ทิ้งความสงบนะไม่ใช่ทิ้งสมถะนะถ้าทิ้งความสงบไปเลยนะั่นอย่างพวกดูจิตหลายคนดูจิตแล้วใจมันจะไปอยู่ข้างนอกๆใจมันไม่เข้ามาถึงฐานมันจะกระจายออกไปรู้สึกไหม ห, หนุ่มเนี้ยใจมันอยู่นอกๆหลวงพ่อก็เคยเป็นตอนโน้นประมาณสองพันห้าอยี่สบหน่อยๆยี่สิบ 2 6่7หกยิบเจ็ดลย่ิบเจ็ดอะประมาณนั้นนะหลวงพูดดูไม่อยู่แล้วหา ด, ดูใจไปเรื่อยๆไม่ผ่านสักทนะีไปเจออาจารย์มหาบัวไปหาท่านที่บ้านตาดตอนนั้นท่านยังสอนแสดงคำฉันข้างบนนะศาลาไม้ฉันข้างบนคนก็ยังไม่มากนักหรอกขึ้นไปถึงก็ไปข้างหลังท่านนะท่านนั่งพิงเสาอยู่จะฉันข้าวท่าาจารย์ครัขบขอโอกาส ขอโอกาสนะจำเนียมท่านบอกว่าหันมามองเอาไว้ก่อนยังไม่ว่างเราไปเดี๋ยวท mm hmm. ่านก็มีธุระคุยคนนั้วันนี้นะเสร็จแล้วพอท่านมีเวลาท่านหันมาว่ายังไงว่าอย่างไงบอกผมดูจิตดูใจอยู่นี่นะครูบาอาจารย์ทุกทุกองค์เลยบอกว่าก็ทําถูกแล้วดูต่อไปเรื่อยๆเฮ้แต่ดูดูมารู้สึกมันยังไงชอบกล น, นะเอะมันผ่านธรรมะที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปอีกไม่ได้มันตันอยู่แค่นั้นเอง ท่านบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเนี่ยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตหรอกให้บริกรรมเข้าไปอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านมาอย่างงี้เพราะว่าท่านใช้บริกรรมตัวท่านนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็ใช้ไม่เหมือนกันหรอกตัวท่านอ่ะท่านบริกรรมเอาที่ว่าเราดูจิตดูจิตเนี่ยเราดูไม่ถึงจิตเราดูไปดูไปเราไปดูอยู่หน้าหน้าไปดูอยู่นอกนอกดูเข้ามาไม่ถึง แต่ยังดีไว้อีกพวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งดูแล้วหลุดเท่า อ, อยู่ข้างในเพ่งลึกๆเข้าข้างในไปเรื่อยๆหลวพ่อก็กเคยผิดนะเข้าข้างในตอนที่เข้าข้างในไปเนี่ยไปเจอหลวงปู่สิมก็หลวงปู่สิมท่านฝักมือผู้รู้ผู้รู้ออกมานอกๆนี่ออกมานอกๆนี่แล้วเอ๊ะทําไมให้ออกมานอกๆครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าส่งนอกนี่เห็นไหมเราก็ส่งเข้าข้างในความจริงครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ส่งในท่านบอกอย่าส่งนอกคืออย่าหลงออกไป เดีวลวงพ่ อ, อไปให้รู้กายรู้ใจตัวเองไว้ไม่ส่งนอกก็คือให้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเราก็ะะนึกว่าต้องส่งเข้าข้างในหรือเอาเข้าไปไว้ข้างไหนไปเจอหลวงปู่สิมท่านบอให้ออกมานอกๆนี่กิเลสอยู่นอกๆนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นี่กิเลสจะได้โผล่มาให้เราดูไปหลบอยู่ข้างไหนแล้วจะไปดูอะไรไม่มีอะไรให้ดูมีแต่ความนิ่งความว่างนี่ฟ้อาออกมาอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเป็นเจอหลวงปู่เทศอีก อกว่าหลวงปู่สิมบอกให้ออกมานอกหลวงปู่เทศเลยอธิบายมันเป็นกลางนั่นเองไม่ส่งนอกไม่ส่งในคือเป็นกลางกลางกลางกลางกลางกล้วก็จงใจประคองไว้ตรงกลางให้มหาเรื่องทำจนได้ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผิดๆนะหลวงพ่อผิดมาเยอะแล้วนะประคองไว้ตรงกลางประคองไว้ใจมันก็อย่างงนอย่างนี้เดี๋ยวเกาะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวอย่างว่านี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้ แต่ว่าต้องคอยสังเกตนะถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นไม่ได้ใจต้องตั้งมั่นหัดสังเกตไปถ้าใจรู้สึกใจไปอยู่นอกๆใจกระจายถ้าทำสมถะเป็นก็ทำสมถะทำไม่เป็นจริงๆให้รู้ว่าใจกระจายอยู่ถ้ารู้ว่าใจกระจายออกไปมันจะค่อยทวนกระแสเข้ามาตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะงันสมาธิสาคัญนะทิ้งไม่ได้หลายคนนึกว่าดูจิตแล้วไม่ต้องทาสมาธิ ดูจิต น, นะหัดดูเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยสังเกตเอาใจไม่ตั้งมั่นค่อยรู้เอเนี่ยมันค่อยเกิดสมาธิขึ้นมาเสร็แล้วเราจะทำสมาธิก็ทำได้ทำไม่ยากจำเป็นนะศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็จะเป็นคนไม่มีศีลเนี่ยใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านไม่เกิดปัญญาจำเป็นเชิญโยมเชิญคุยเชิญคุยไม่ต้องถามก็ได้นะหลวงพ่อไม่ว่าเรา ถ้าใครจะถามก็อย่าถามยาวนะถามคนเดียวห้านาทีนะโทสะดีกรีของโทสะในห้องนี้กำลังเพิ่มขึ้นต้องระวังนะเพราะพวกเราส่วนมากยังมีกิเลสอยู่กอใครคุยยาวอยู่คนเดียวนะเพื่อนชัดเดือดปุดแล้วพยายามดูนะพยายามวางฟอร์มถ้าเป็นที่อื่นด่าไปแล้วนะวเชิญเชิญนามสกา ร, รท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขอโอกาสถามในเรื่องของจิตตั้งมั่นเจ้าค่ะที่ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นจิตไม่ไม่ตั้งมั่นนะเจ้าค่ะเหมือนกับว่าสายไปมาเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มองลงไปอย่างนี้เจ้าคะคือจิตที่สายไปสายมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรถ้าสําหรับของของคุณนะของคุณโดยเฉพาะไม่เกี่ยวคนอื่นนะของคุณก็คือคุณไปตั้งตัวหนึ่งไว้ก่อนตัวนี้ต่างหางแหละที่มีปัญหา เราไปตั้งตัวนี้ไว้นิ่งๆแล้วรู้สึกไหมตัวอื่นเคลื่อนไหวมีนิ่งอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้โยนทิง้งซะอย่าไปกดอย่าไปกดตัวไหนให้นิ่งอ๋อครับขอบพระคุณเข้าใจเลยค่ะคือดิฉันมีความรู้สึกเหมือนว่ามีตัวนิ่งอยู่หนึ่ง<อ>ตัวนั่นแหละตัวนั่นแหะแต่ ม, มันไม่นิ่งเหมือนกับจิตละวันวันไหวไตัวนี้วันไหวแต่ตัวนี้มันนิ่งอยู่ตัวแล้วไม่ไม่ต้องทํานิ่งใช่ไหมเจ้ากัอย่าไปแกล้งนิ่งะถ้าตัวนี้แกล้งนิ่งสังเกตไหมตัวนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวนี้เี่ยง ตัวนี้เป็นสุขตัวนี้เป็นอัตตานะมันล <ะ S 1> ับได้ไม่หมดแล้วจะมึนๆใช่ไหมเจ้าคะใช่สมมุติว่าเราทําให้มันที่ที่มึนๆเนี่ยจิตมันมีโมหะแทรกเลยนะ<ช>จิตมันมีโมหะ<ช>แต่อย่าไปกดไป<ช>ตัวนี้ปล่อยซะแต่ต้องถือศีลนะพอปล่อยแล้วร้ายกว่าเก่านะตัวที่เรากดเอาไว้เนี่ยขอบพระคุณเจ้ะที่ที่ปฏิบัตินี้ยังต้องใช้ยังไงบ้างคะ ก็ให้โยมคอยรู้สภาวะตามที่เขาเป็นมีความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้อย่าตั้งเอาไว้ก่อนแล้วรอดูเอาโยมไปตั้งแล้วรอดูเอถามสั้นๆนะอย่างนี้ดีถามอย่างนี้จะได้ทั่วๆกันนะหลวงพ่อครับผมอยากไปปฏิบัติธรรมที่ส่วนสติตธรรมครับใช่ไหมรัหลวงพ่ออนุญาตไหมครับหลวงพ่อมีมีกติกานะเอจิตต้องตื่นก่อนนี่หลายคนเลยใช้วิธีไปขอ เป็นการพิสูจน์กันนะว่าตื่นไม่ตื่นเนี่ย เ, เป็นวิธีเจ้าเล่ไม่ได้อยากอยู่จริงนะแต่ท้ากับเพื่อนว่าตื่นไม่ตื่นแต่ตอนนี้หลวงพ่อปิดไว้พอเปิดเดือนเดียวเนี้ยจองเต็มไปครึ่งปีแล้วเดี๋ยวไ้เดือนมิถุนาถึงจะเปิดใหม่เนี่ยค่อยไปจองอให้จองที่ไหนครับฮะที่ที่หลงพ่อสิไม่ไม่จองทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์นะ <c oughs> <c oughs> ทางอินเทอร์เนต็ตเลยอินเทอร์เนต็ตอยากจองก็จองไปหลวงพ่อไม่มีจีจองแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้นะเดือนพฤษภามมาถามวิธีใช่ไหมครับก็เดือนมิถุนาไปขออนุญาตครับแล้วตอนนี้กีเ่นเดี่ยครับอะไรนะแล้วตอนนี้กี่ของผมเดือนหรือครับเพราะว่าผมเป็นที่ผมถ้าไปขอก็จะให้นะครับหลวงพ่อกราบนมัสการท่าหนหลวงพ่อคะ่ะ หนูก็พยายามดูจิตอยู่ค่ะแต่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าอะค่ะเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นค่ะแต่ว่าบางครั้งอะค่ะอย่างตอนเนี้ตื่นเต้นรู้สึกไหมรู้สึกเนี่ยตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะรู้ลงไปใจไม่ตั้งมั่นดูออกไ้มค่ะใจใสไปใสมาดูออกไหมค่ะถ้าหัดดูไปอย่างเนี้หัดดูลงปัจจุบันไปเรื่อยเรยรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไปอย่าให้เกินกายเกินใจของเราออกไป เหลอแล้วตอนส่งใหม่รู้สึกไหมขาดสตินะอย่างนี้เรียกขาดสตินัปัสการหลวงพ่อครับ อ, อย่างผมเวลาดูจิตนี่เวลาคิดรู้สึกว่าคิดแล้วมันก็มาคิดต่ออย่างเงี้ยครับมันดูถูกป่ะครับรู้ถูกแล้วนะเราไม่ได้ฝึกให้ไม่คิดนะจิตเนี้ยมีธรรมชาติรู้สึกนึกคิดเพราจะต้องคิด การที่เราทํากรรมฐานเนี่ยเราทําเพื่อจะได้รู้ความจริงของเขาว่าเขาเป็นธรรมชาติที่รู้สึกนึกคิดได้เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาจะคิดเขาก็คิดรู้สึกไหมห้ามไม่ได้ถ้าดูไปเอ็ดเลยเขาห้ามไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกดูเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่ดูเพื่อไม่ให้คิดนะหลายคนเข้าใจผิดฟังหลวงปู่ดูลพูดบอกว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้มีอีกประโยคนึงนะแต่ต้องอาศัยคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิด อาศัยคิดหมาถึงอะไรจิตของเราเนี่ยคิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วแต่พอคิดแล้วมันยินดีมันยินร้ายมันสุขมันทุกข์ขึ้นมาให้มีสติรู้ตรงนี้อย่าไปคิดเพิ่มสภาวะเกิดขึ้นแล้วให้มีสติไปรู้ทันเราก็จะเกิดปัญญาเนี่ยเรียกว่าคิดเรารู้ให้รู้หยุดคิดเรารู้รู้คือมีปัญญาขึ้นมาเห็นเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เห็นอย่างนี้เห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกไม่ได้ฝึกให้หยุดคิดนะ เราไม่ได้พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นต้นไม้และก้อนหินนะเราพัฒนาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์คือผู้มีใจสูงใจมนุษย์คือใจสูงนะใจมนุษย์เนี่ยคือใจที่ดีที่สุดใจที่ประเสริฐที่สุดหมอที่สุดสําหรับการทํากรรมฐานแต่พวกเราชอาบล้ทิ้งจิตของมนุษย์ไปจิตมนุษย์ที่ดีที่สุดในเราชอบทิง้งเวลาเราคิดถึงการทํากรรมฐานเราชอบไปสร้างจิตของลมขึ้นมาจิตอย่างเนี้ย นะจิตของโฟมนะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแล้วก็ไปซื่อซื่อซื่อซื่อบื้ออยู่ข้างในอย่างนั้นเ่งเราได้ทิ้งของที่ดีที่สุดนะไปเอาของที่รองรองเอาเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ใช้จิตธรรมดานี่แหละแล้วเรียนรู้มันไปขอบคุณสังเกตไหมใจมันอยากพูดเครือกขึ้นมานเมื่อกี้ไหลวับนะเรามีสติรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆ อ, อให้พูดให้พูดว่าไปว่าไป ว่าว่าบางทีมันก็ติดจุกอยู่ในตรงนี้ครับจุกเพราะว่าจงใจปฏิบัติอยู่ยังบังคับตัวเองนะยังติดดียังรักดีเกินไปนิดแต่ว่าดีกว่ารักชั่วนะรักดีแล้วมันอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัติรู้ลงปัจจุบันไปเลยอย่าไปเฝ้ารอให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เถ้าไปรอดูตั้งใจรอดูรอว่าเมื่อไหร่จะได้จะโปล่ตั้งใจรอดูอย่างเงี้ยใจจะทื่อขึ้นมา หรือบางทีใจเราแอบไปคิดพอเรารู้ว่าใจหนีไปคิดแล้วไปดึงคืนมาใจก็จะทื่อๆขึ้นมานะอาการนี้เป็นอาการของคนดีนะอาการของคนรักดีทุกแบบคนดีหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนนี้เป็นอยู่สามเดือนนะตีไอ้ก้อนนี้สู้กันสามเดือนถึงรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิบากมันเป็นวิบากมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่กรรมมันเป็นวิบากเป็นผลตัวผลละไม่ได้ ตัวผลต้องใช้มันต้องชดใช้เราไปทํากรรมมาแล้วเรามีกิเลสมาแล้วทํากรรมมาแล้วกิเลสคืออยากปฏิบัติทํากรรมแล้วคือไปข่มกายข่มใจตัวเองไว้เกิดวิบากคือแน่นขึ้นมาเราก็รู้ทันนี่อยากปฏิบัติรู้ทันกิเลสดับความจงใจที่จะข่มตัวเองก็ดับไปด้วยส่วนก้อนนี้อยู่อีกช่วงหนึ่งก็หายไปมีวิบากขอบพระคุณครับกราบไน้รับประทารของพ่อนะครับ ตอนนี้ได้ดูความตื่เป็นตัวเองเออดีดีดคือปฏิบัติมาถ้าพักหนึ่งรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยแบบสดใสมันมันมองมองยังไงไม่ทราบฮะคือถ้าปฏิบัติแล้วเห็นเราใจหมองนะอย่าอยากใจใสนะอย่าอยากของใสถ้าใจเราหมองให้รู้ว่าใจมันหมองให้นั่งดูไปเมื่อเห็นคนอื่นหมองอนะ่ะดูไปเรื่อยๆดูซิเธอจะหมองนานแค่ไหนคุณสังเกตไหมความหมองไม่เท่ากัน มองมากมองน้อยเนี่ยเขาอุตส่าห์มองเนียอุตส่าห์แสดงอันนี้จังให้ดูเลยมองมากมองน้อยไม่เท่ากันอย่างตอนนี้มองน้อยแล้วรู้สึกไหมครับผมตอนนี้มองน้อยลงเราก็รู้ไปใจอยากพูดขึ้นมาเห็นไหมมีแรงดันแล้วก็รู้ทันหันรู้ไปเรื่อยเรรู้สึกไหมพอเรารู้ทันว่ามันมีแรงดันใจแล้วก็สว่างขึ้นมาเนื่อเมื่อไร่ใจสติเราไปรู้สภาวะโลกปัจจุบันนะจิตเราจะตื่นขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานสงบสะาสว่างขึ้นมา ตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมยอะไปคิดให้รู้โรคปัจจุบันอย่างนี้นะถ้ารู้รคปัจจุบันก็ไม่มีคําถามแล้วนะอืมจริงๆพ่อและการปฏิบัติมีเท่านั้นเองให้รู้ลงปัจจุบันให้ได้เแต่อย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งอย่าไปเผลอถ้าเผลอก็ไม่รู้อะไรเลยถ้าเพ่งก็ไม่รู้มันนิ่งๆผิดความเป็นจริงนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ หนูชอบคิดนะคะคนอื่นเขาก็ชอบเราคือเวลาคิดหนูก็รู้ว่าหนูคิดแล้วก็ตามรู้ไปเรื่อยๆคะออ่ะแต่มันเหนื่อยอะคะ่ะเหรอหัดใหม่ๆก็อย่างงั้นแหละนะหัดใหม่ๆจะมาหัดรู้สึกตัวเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะอะไรเพราะเราเคยชินที่จะไม่รู้สึกตัวแล้วก็เราไม่ได้หัดไปตามลำดับเราหัดแบบใจร้อนเราหัดแบบเอาละต่อไปนี้ฉันจะไม่เผลอ ถ้าต่อไปนี้จะไม่ให้เผลอเนี่ยนะจะเหนื่อยแต่ถ้าหัดไปตามลําดับจะไม่เหนื่อยหัดดูสภาวะสินะพุทโธพุทโธไปใจหนีไปคิดทีร่รู้พุทโธไปใจสงบพุ้งซานรู้ไปเรื่อยๆะแล้วก็ต่อไปพอสภาวะเกิดสติเกิดเองไม่เหนื่อยแต่หัดใหม่ๆอดไม่ได้เราเหนื่อยทุกคนนะเหนื่อยต้องทนเราช่วงแรกๆคล้ายๆเราหัดขับรถนะสังเกตไม่หัดขับรถเห็นคนอื่นเขาขับง่ายๆนะ เราหัดทีแรกยากแทบตายเลยรู้สึกเดินสบายกว่าแต่พอเราขับรถเป็นแล้วรู้สึกไหมขับรถเราสบายกว่าเดินยกเว้นขึ้นปูกระดึงนะอ้าไปไหนละงานนมนส ก, การหลวงพ่อค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าพิจารณากายเนี่ยกายโอเหมือนก้อนทาตแต่เวลาบางทีที่หนูดูกายอะก็คือปกติก็คือดู ว, ว่าละมันเคลื่อนไหว แต่มันจะมีบางช่วงที่บางทีเราหัวล้อแล้วหนูเกิดไปเห็นที่เราเราหัวล้อ <Okay. S 2> แต่หนูไม่ได้นึกว่ามันเป็นก้อนธาตุแต่หนูกลับรู้สึกว่าที่หัวล้อก็คือเราที่เห็นก็คือเรา <Okay. S 2> หนูจะถามหลวงพ่อว่าก็ดูไปอย่างนี้แล้วสักวันหนึ่งจิตมันจะบอกเองใช่ไหมคะคือเราไม่ต้องไปบอกจิตมันก่อนว่าเนี่ยคือก้อนธาตุใช่ไหมไม่ต้องบอก เมันจ ะ, มจะบอกนะถ้าสติปัญญาเกิดแล้วจะเห็นเองแต่ว่าการดูรูปที่เคลื่อนไหวดูยากนิดหนึ่งนะรูปที่เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวเป็นรูปชนิดหนึ่งเรียกวินยติรูป <c oughs> เขาถือว่าเป็นรูปไม่แท้อาการเคลื่อนไหวเนี่ยเอาไปทํำวิปัสสนาไม่ได้จริงตัวรูปแท้วันนี้พูดอย่างนี้ฟังยากนะรูปมีรูปมีแท้รูปไม่แทะ ตัวรูปแท้อย่างตัวธาตุเนี่ยตัวธาตุสีดินน้ำไฟลมนี่เป็นตัวรูปแท้แท้ตัวสีตัวกลิ่นตัวรสเนี่ยเป็นรูปแท้แท้นะตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเป็นรูปแท้แท้ตัวตึงตัวไหวเป็นรูปแท้แท้แต่อาการที่เคลื่อนไหวอ่ะอาการที่เคลื่อนไหวมันเป็นอาการปรากฏของรูปเท่านั้นเองนี่ถ้าเราไปเพ่งใส่ตัวอาการนะ้จะว่างๆไม่มีอะไรไม่มีไตรลักษณ์ให้ดู จะเห็นรู้สึกอาการที่ไหวๆไม่มีอะไรแต่ถ้ารูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราจะรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราใช่มไหมตอนเนี้ยรู้สึกเป็นตัวเราให้คิดอย่างเวลาเราหัวเราะเนี่ยอาปากงับงับๆๆอยู่หัวเราะอยู่เนี่ยสติเกิดระลึกเนี่ยสติไปเห็นในตัวที่กําลังขยับอย่างเนี้ยดูไปอย่างเนี้ยเห็นวัตถุเราไม่ได้เห็นอาการมาหรอกเราเห็นวัตถุเห็นก้อนธาตุนี้ที่อยู่ในอาการอย่างนี้เราเห็นตัววัตถุ อแล้วเสร็จแล้วถ้าสติของเราไปรักลึกรู้ตัววัตถุที่อยู่ในอาการอย่างนี้แล้วถ้าใจเราตั้งมั่นแต่เราตั้งมั่นเนี่ยมันจะสักว่ารู้ว่าดูมันจะเห็นว่าตัววัตถุเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุอยู่ที่ใจตั้งมั่นพอไหมถ้าใจเราตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นจะเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราต้องสักว่ารู้สักว่าเห็นได้แต่ของคุณนะ่นมันก็มีขึ้นมาแวบหนึ่ง อย่างตอนหัวเราะตรงที่รู้ว่ารูปหัวเราะเนี่ยมันเห็นอยู่แวบหนึ่งแต่มันสั้นมากจนเรายังจับสภาวะตรงนี้ไม่เป็นนะถัดจากนั้นเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นมาว่าอุ้ยเราหัวเราะความคิดมันเกิดขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามีเราหัวเราะขึ้นมามันยังไม่สามารถแยกสภาวะตรงที่สติระลึกรู้รูปจริงๆออกมาไดนะ้ต้องเห็นบ่อยๆต่อไปจิตจะจับสภาวะตรงที่สติระลึกรู้รูปได้จะเห็นว่ารูปนั้นไม่ใช่ตัวเรา นำมาทําก็เหมือนกันนะอย่างถ้าเราสติเราไม่ทันเราก็รู้สึกว่าเราโกรธถ้าสติทันเนี่ยจะเห็นเลยความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความโกรธก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราอยู่ที่สติมีแล้วนะ <S <S เห็นสภาวะแล้วใจมีสัมมาสมาธิไม่ใช่ตั้งมั่นเป็นกลางไหมสักว่ารู้สักว่าดูได้ไหมถ้าใจมันตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูมันเห็นรูปอยู่ห่างๆนูน่นเวทนาอยู่ห่างๆนะสังขารดีชั่วยอยู่ห่างๆนี่ มันจะเห็นอยู่ห่างๆแต่มันจะเห็นไม่ใช่ตัวเราเลยจะมันจะรู้สึกเหมือนมะีนนนช่องว่างนะร่ากายกับจิตก็มีช่องว่างเวทนากับจิตก็มีช่องว่างกุศลกับกุศลกับจิตก็มีช่องว่างมีช่องมีระยะห่างนไม่ใช่ตัวเราจะแยกออกจากตัวเราไปเรื่อยเสร็จแล้วเราจะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับได้ในจิตเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเห็นอีกจะเห็นเลยกระทั่งตัวที่ไปรู้ไปดูเน่ะก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน แต่ว่ามันเห็นเป็นลำดับลาดับไปนะอย่างตอนนี้เผลอแล้วรู้ไหมเออตอนไหว้หลวงพ่อแล้วเผลอเห็นเวลาไหว้หลวงพ่อแล้วเผลอมันลืมไปนมัตการนรัตรการหลวงพ่อครับเออเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยบอกว่าผมเท่งมากเกินไปตอนที่อยู่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ระยะระยะหลังเนี่ยผมก็ทิ้งวิธีการกำหนดแบบเกา่า พยายามจะเพิ่มดูจิตแต่ว่าตอนางเช้ากับตอนคืนก็ใช้วิธีนั่งสมาธิอยู่ยังไม่ทิ้งอ่ะนะไม่ทิ้งสมาธิแล้ววันนี้หลวงพ่อได้พูดบรรยายตอนตอนท้ายท้าเกี่ยวกับเรื่องการ อ, อ, อย่าทิ้งสมาธิจุดนี้นะครับอยากได้หลวงพออ่อบอกแนะนําอีกทีหนึ่งว่าเราควรจะแบ่งยังไงที่ว่าเป็นการเ่งหรือเป็นการนั่งสมาธิครับคืออันแรกสุดเราต้องเรียนก่อนเราต้องเรียนลักษณะของจิตใจก่อน ว่าจิตใจชนิดไหนเนี่ยทำสมถะจิตใจชนิดไหนทำมิปัสนาจิตใจชนิดไหนมีสัมมาสมาธินะอันไหนเป็นมิจฉาสมาธิจิตใจที่เข้าไปเพ่งเงาเพ่งเงาเพ่งเงานะมันเป็นมิจฉาสมาธิแต่จิตใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยมันเป็นสัมมาสมาธิตัวนี้ต้องเพิ่มขึ้นมาต้องสร้างพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกเนี่ยเราจะฝึกให้จิตไหลเข้าไปแช่ในอารมณ์อันเดียวนิ่ง ไม่ทราบวันนี้มีหนะังสือวิมุตติมัสแจกไหมอันนี้มีนะเดี๋ยวไปอ่านนะคุณคุณไปศึกษาตรงที่จิตเข้าไปตั้งมั่นกับจิตไปตั้งแช่ถ้าจิตตั้งแช่นะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจิตตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นนะเป็นสัมมาสมาธินี้ในแต่ละวันทุกวันเราต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติทุกวันควรจะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกลมทําสมาธิเบื้องต้นก็คือทําสมาธานั่นแหละ ไปรู้อารมณ์ก่อนไปรู้อารมณ์มันเดียวนะเช่นรู้พุโทโธรู้ลมหายใจถ้าใจเรายังฟุ้งสซ่านวุ่นวายอยู่นะเราก็พุโทโธหายใจของเราไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเคล็ดลับบ อ, อกแล้วนะต้องสบายใจก็สงบตั้งมั่นขึ้นมาพอาใจสงบใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราไม่บังคับให้นิ่งแล้วท่านนี่ยเราก็ตามดูสภาวะความเปลี่ยนแปลงของใจไปเดี๋ยวใจก็หนีบิคิดก็รู้ใจเป็นยังไงก็คอยรู้เอา ค่อยฝึกอย่างนีน้ทุกวันทำในรูปแบบนะมันจะได้สมถะขึ้นมาด้วยนั้นการทำในรูปแบบเราจะทำเพื่อสองงานอันห น, นึ่งทำเพื่อถ้าจิตเราไม่ไม่สงบคลุ้งซ่านมากทําสมถะให้ใจตั้งมั่นอันที่สองถ้าใจเราสงบตั้งมั่นแล้วเราทำตามรูปแบบเพื่อหัดดูสภาวะถ้หัดดูสภาวะ ด, ดูสภาวะจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดในชีวิตประจาวัน แล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยช่วงไหนที่ใจเราฟุ้งซ่านนะเราก็ทําสมถะแทรกไม่จําเป็นว่าวันเดียวทำครั้งเดียวนะไม่จําเป็นเช่นตอนนี้เราเห็นไอ้คนนี้กําลังโมโหเต็มที่เราไม่รู้จะทํำยังไงลนะก็ทําสมถะเช่นมันกําลังเดินมานะเดี๋ยวเราต้องชกหน้ามันแน่เลยรีบแผ่เมตตาไว้จเจริญเมตตาให้ใจเราอ่อนโยนให้ใจเรารู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นจเจริญเมตตาก็คือสร้างความรู้สึกเป็นมิตรขึ้นในใจเรานะ ไม่ใช่ท่องสัเพสัตตานะสัเพสัตตาตายเสียได้ก็ดีอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะอยู่ที่ใจเราเป็นมิตดไหมนะหรืออย่างหลวงปู่เทศก็เคยสอนใจเราฟุ้งซ่านมากเลยเนะี่ยอยู่ในชีวิตทํางานหรืออะไรวุ่นวายใจมากนะท่านบอกหลับตานหนิดยนึงกลั้นลมหายใจกลั้นนิดหนึ่งเนี่ยกลั้นนะพ่อทาหน้านะการจริงๆไม่ต้องทําแบบนี้นะเดี๋ยวคนอื่นตกใจพวกเราดูจิตไม่เป็นเลยพ่อต้องทําหน้าให้ดูนะเนะี่ย เสร็จแล้วเราก็รู้ไปที่ความรู้สึกนิ่งๆใจมันจะสงบอยู่นิดหนึ่งเอาถอยออกมานะมันได้พักนิดหนึ่งแล้วหรือถ้าเราดูจิตชํานาญเนี่ยเราดูไปจิตใจเราฟุ้งซ่านเราจับไปที่ความว่างๆในใจเข่งช่องว่างในใจนี่ก็ได้สมถะแล้วสมถะเนี่ยไม่ใช่ว่าทำมาหลักฟังหรอกนะในรายวันเราก็ทําพักผ่อนเป็นระยะระยะไปได้มีประโยชน์นะมีประโยชน์ แต่ว่าต้องระวังอย่าเป็นมิจฉาสมาธิหลายคนนึกว่าหลวงพ่อต่อต้านการทําสมถะไม่ใช่หลวงพ่อต่อต้านการทําสมถะที่ผิดผิดเป็นมิจฉาสมาธิแต่ก่อนนั้นเคยอยู่กับโลวงพุท ธ, ธไปภาวนากับท่านกลางคืนนี่เดินไปที่ที่โบสถ์คนนั่งเต็มโบสถ์เลยแล้วก็ล้อนออกมานอกโบสถ์นะมันเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเนี่รอบรอบโบสถ์หลวงพ่อก็ดูปลาดเข้าไป เอ้มีแต่เคล้มเคลิ้มฮะไม่ใช่มีคนปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีคนเจริญสตินั่งเอาเคลิ้มพอเช้าขึ้นมาเข้าไปกราบหลวงปู่ตอนเช้าหลวงปู่แล้วก็ยิ้มยิ้มเปรย์เปรยวัดนี้ไม่มีคนปฏิบัติแล้วอย่างเงี้ยคนที่ฟังก็จะงงๆเอ้นั่งสมาธิกันเป็นร้อยคนนะหลวงปู่บอกวัดนี้ไม่มีคนปฏิบัติแล้วจริงๆไม่มีคนเจริญสตินะั้น งั้นการทํามิจฉาสมาธิทําแล้วยิ่งโมหามากขึ้นาามากขึ้นทําแล้วราคะมากขึ้นมากขึ้นพอออกมาจากสมาธิโทสะจะมากขึ้นมากขึ้นงั้นหลายคนที่ทํากรรมฐานนะทําแล้วก็เพ่งเพ่งเพ่งไปเรื่อยพอกลับบ้านนะจะขี้โมโหมากกว่าเก่าถ้ารู้สึกว่าภาวนาอยู่วัดสงบนะพอออกจากวัดออกจากคอร์สกลับบ้านแล้วร้ายกว่าเก่าต้องะระลึกไว้เลยนะไปทําสมาถะมาแน่เลย แต่ถ้าหัดดูจิตดูใจเนี่ยเราจะพบอีกอย่างหนึงกิเลสเกิดบ่อยสมัดเลยแต่เดิมไม่เคยเห็นกิเลสเลยนะรู้สึกฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีแต่พอหัดเจริญสติเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะอย่างโลภก็เช่นเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากขึ้นมา โทรศัพท์ขยิบเลยนะกระทบอันนี้ก็ไม่พอใจกระทบรูปไม่พอใจกระทบเสียงไม่พอใจในใจยิ่งกุ่นไปด้วยกิเลสเกิดทั้งวันทั้งคืนแล้วเราค่อยๆหัดดูไปกิเลสนี่ศัตรูของชีวิตเราเลยแต่ถ้าเราตามรู้ตามเห็นนะอย่าตกใจเราปรุงกิเลสขึ้นเองเราพัฒนามันขึ้นมาเองนะพัฒนาจนวนะันหนึ่งมันเป็นผีดิบมันมาเล่นงานสู้มันไม่ไหวก็ต้องค่อยๆฝึกเอา เกี่ยวกับทั่งใจมันพ้นนะใจมันพ้นกิเลสมันไม่มาย้อมใจไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะกิเลสมันย้อมใจไม่ติดเลยความปรุงแต่งใดๆย้อมใจไม่ติดฝึกแปลหลวงพ่อครับไหนไหนครับ<อ> เ, เ, เคยเคยถูกหลวงพ่อทักว่าประคองไว้ครับหล <ừ> ังจากนั้นผมว่าผมก็เลิกประคองครับก็ปล่อยปล่อยปล่อยใจไปไปตามธรรมชาตินะครับ แล้วก็รู้สึกตัวบ้างเป็นครั้งเป็นคราวครับอืมก็ก็กพเพิ่งเพิ่งเข้าใจว่าที่ปฏิบัติไม่ได้เอาดีมันคืออะไรเพราะว่าผมรู้รู้สึกขึ้นได้ว่ากุศลอกุศลมันมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวครับแต่คราวนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบผมแกว้งสุดตองไปทางปล่อยใจมากเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าสมมุติเวลามีอารมณ์รุนแรงมากระทบครับผมก็ไม่คิดจะทําสมถะเพื่อให้จิตใจสงบครับผมก็ดูไปว่า มันมันดูไปมันไม่หายมันก็ไม่หาย ก, ก็ดูไปใ ห, ให้รู้ว่ามันไม่หายเฉยครับคือ<ม>ถ้ากิเลสเกิด น, นะเกิดอย่างรุนแรงขึ้นมาเรามีสติรู้ทันรู้ได้มีสติรู้ได้ก็รู้ไปถ้ามีสติแล้วสู้ไม่ไหวนะเราก็ใช้สมถะเช่นถ้าโกรธขึ้นมาเราก็หัดเจริญเมตตาไว้สมถะไม่ไหวนะถือศีลไว้มีหลายหลายเครื่องมือนะอาวุธเรามีหลายตัว ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยนะพะงั้นเราก็เลือกดูเวลานี้เจริญสติไม่ไหวกําลังจะเชื่อดคอหอยเขาอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ต้องถือศีลไว้ก่อนแต่ว่าย่อหย่อนหรือไม่ย่อหย่อนดะูนะอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะทําสมาธิเดินจงกรมไหวพระสวดมนต์อะไรนี้ต้องทําไปเรื่อยๆนะมีวินัยในตัวเองนะผู้ปฏิบัติต้องมีวินยัยนะมีความตั้งใจมั่นถ้าตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติแนละ้วต้องทํา ย่งแต่ละวันตั้งใจว่าต้องนั่งสมาธิเดินโจงกลม5นาที10นาทีอะไรต้องทำํำนจะิตใจให้จะได้เด็ดเดี่ยวแล้วก็ถ้าเราแบบเอาละฉันจะดูอย่างเดียวไม่มีรูปแบบนะสักพักหนึ่งกี่เลสมันจะหลอกเราจะขี้เกียจ ด, นะดูแวบๆบแบบแล้วหนีไปนานดูแวบๆบแบบแล้วหนีไปนานอย่างนี้ย่อหย่อนนะค่อยสังเกตที่ใจเราว่าหย่อนไม่ย่อนถ้าเรารักษาข้อวัดไว้แล้วมันเป็นรั้วกั้นเรา ไม่ให้หย่อนเกินไปแต่เบื้องแรกนะตึงไว้นิดนิดไม่เป็นไรนะเริ่มต้นตั้งใจทํามันต้องตั้งใจหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยไปรู้ทานแล้วค่อยคลายออกแล้วก็พอดีแต่ถ้าเริ่มต้นทํายังไงจะพอดีทําังไงจะพอดีเนะ่ยฟุ้งซ่านอยู่งั้นแหละไม่ได้กินหออกนรสการท่านอาจารย์ครับที่พยายามตามรู้ตามดูอยู่นี่ไม่ทราบว่า ท่ารู้<ห>สึกไหม<ำ>ใจไม่ตั้งมั่นขนาดนี้ยใจไม่ถึงฐานมันรู้ออกไหมต่ไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันว่าไม่ตั้งมัน่น ใ, ให้ย้อนกลับมารู้แต่ว่าที่ฝึกอยู่พอใช้ได้อยู่เห็นกิเลส่ะกิเลสโผล่ ก, ก็มองเห็นใช้ได้แต่ว่าใจใจตอนนี้ผิดปกติดูออกไหมตอนเนี้มันไม่เหมือนธรรมดาดูออกไหมครับเกรงเเอะะอเป็นเกนะะให้รู้ทันลงไปอย่าไปแก้ๆๆๆนะ ให้รู้ไม่ต้องไปแก้มันให้เรารู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นแต่อย่าไปแทรกแซงสภาวะนั้นอย่างจิตเนี่ยมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งให้เรารู้ว่าเขาคิดนึกปรุงแต่งไปอย่าไปปรุงแต่งเขาเช่นทํายังไงจิตจะไม่คิดนะนี่ปรุงแต่งแล้วนะหาทางทําให้ผิดธรรมชาติธรรมดาทําไงจิตจะเที่ยงอยากให้จิตเที่ยงก็ทำเริมภาเข้าฌานสิก็เที่ยงได้ช่วครั้งชั่วคราวนะออกแอกฌานก็ฟุ้งซ่านอย่างเดิม เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตหรือให้กายนี้ผิดธรรมชาติหรอกเราฝึกตามรู้ตามดูจนเข้าใจธรรมดาของเขาที่ฝึกอยู่ดีแล้วล่ะฝึกไปอย่าขี้เกียจละครับนมสการส่วนมากพอภาวนาพอเป็นแล้วก็เริ่มขี้เกียจกันบางคนขยันขยันย น, นะลงทุนให้กับชีวิตครับนะกราบนามาสการหลวงพ่อค่ะจะมีช่วงหนึ่งเวลาทำงานนะคะ จิตตัวหนึ่งจะรู้ว่าต้องทํางานแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะคอยพิจารณาร่างกายตลอดเวลาค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าทําไมถึงแยกเป็นสองส่วนไม่รวมกันเป็นหนึ่งะคะ่ะขอบคุ ณ, ค, ณค่ะมันเป็นคนละกษณะกันนะถ้าขนาดที่คิดเรื่องงานมันก็คิดเรื่องงานแล้วก็เราก็แอบฉกเฉวยจังหวะหนีงานเอามาดูกายถ้าหลวงพ่อเป็นหัวหน้า ง, งานนะหลวงพ่อโอ๊ยไอ้นี่ไม่ทํางานนะต้องตัดเงินเดือนแล้วแอบไปปฏิบัติสะละ คนละเวลากันสังเกตไหมแต่สลับไม่ใช่เวลาเดียวกันธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอไปคิดเรื่องงานแล้วจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้ขณะที่ไปคิดนะไม่ว่าคิดเรื่องอะไรก็ตามขณะนั้นรู้เรื่องที่คิดด้วยว่ารู้อารมณ์บัญญัติเมื่อจิตรู้อารมณ์บัญญัติจิตจะรู้อารมณ์รูปนามไม่ได้นะคนละเวลากันแต่ที่ทําอยู่ก็ดีนะใจค่อ้ตื่นขึ้นมาแล้วดีแล้วขอบพระคุณค่ะ เสือแล้วหลวงพ่อขอถอนคำชมเมื่อกี้มาสกมาสการครับหลวงพ่อคือเวลาปฏิบัติไปบางครั้งจิตมันคิดเราก็เห็นว่าจิตมันคิดแต่พอมันเริ่มคิดต่อไปอหน่อยเนี่ยบางทีมันเป็นความคุ้นเคยเหมือนกับว่าเราพยายามจ ะ, ะรู้รู้กายคือดูลมแล้วก็ผ่อนลมออกไปไอ้ น, นี้ไม่ทราบว่ามันเป็นการที่เราจะเจตนาแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เจตนาครับเป็นเนความคุ้นเคยเป็นความเคย เคยทุกคนแหละบางคนเคยฝึกรู้ลมหายใจนะพอรู้ว่านู้นอันนี้ไปแล้วเสร็จแล้วก็วกเข้าหาลมธรรมดาใครรู้เอารู้ทันใจไหลไปตามความเคยชินครูบาจารย์ท่านเคยเทียบนะว่าจิตนี้เหมือนวัวเหมือนควายท่านเป็นคนชาวบ้านนอกนะทำไร่ทำนาเทียบอะไรท่านก็ไม่ค่อยพนวัวพ้นควายหรอกท่านก็บอกว่าจิตเหมือนวัวเหมือนควายเคยเข้าคลอกทุกวันนะวันนี้ไม่ทันจะต้อนเลยก็เข้าเองแนละ้มีกองนะท่านเปรียบแปลก หลวงตาน้อยอยู่ภูสิงห์ท่านไก่บนให้หลวงพ่อฟังลูกศิษย์ท่านนี่นะแปลกที่อื่นนะควายต้องเดินไปหาหญ้ากินนี่หญ้ามาถึงปากควายแล้วควายยังไม่ยอมกินเลยนะคือ <c oughs> ครูบาอาจารย์มาถึงที่แล้วนะยังไม่ค่อยภาวนาท่านชับเทียบหัวเทียบควายเชิญเชิญหมดย่างา ก, ารรการามสการหลวงพ่อค่ะจะเรียนถามว่าเวลามีคนโมโหใส่เราอะค่ะ แล้ว เ, เราฟังเขาเออก็ดูจิตตัวเองไปดูจิตเขาไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้สึกโมโหกลับแต่ว่ารู้สึกเปรียบเทียบจิตเรากับจิตเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้สมถะรู้สึกไมมเปรียบไปเปรียบมาจิตเขาโมโหดูน่านเกลียดไม่ดีจิตเราดีอย่างเงี้ยเออใชนะ่มันมีเรามีเขาอยู่อ <laughs> หรือเปรียบเทียบไปนะโอ้บ้า เหมือนคนบ้าคนโกรธนี่เหมือนคนบ้าเราเป็นคนดีอย่าไปโกรธคนบ้าเลยถ้าอย่างนั้นคิดเอาใช้ไม่ได้แต่ว่าหัดอย่างนั้นก็ยังดีกว่าไปโมโหใส่เขาแต่อย่าตรึงความรู้สึกนะอย่างตอนนี้บังคับตัวเองอยู่ดูออกไหม<ะ>ตอนนี้บังคับตัวเองอยู่ดูออกไหมอาจจะเพราะตื่นเต้นก็ได้ใชม่มันตื่นเต้นกนกอะไไปขมมันไว้ก็ดีเหมือนกัน ในมรดกการหลวงพ่อค่ะเออจะถามว่ารู้สึกว่าเออเวลาดูจิตอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพอไหวจิตยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอว่าค่ะก็เลยแบบบางครั้งเหมือนดูสภาวะแล้วมันไม่ค่อยชัดนะค่ะมันจะวแวบไปคิดไปคิดตลอดเลยค่ะใจของทุกคนนะไหวตลอดเวลาไหวแวบแวบแวบแวบนะหนีไปคิดทุกๆสองวินาทีสามวินาทีนี่เรื่องปกติแต่ว่าเราหัดใหม่ๆเนี่ยเรา หานาทีเราเห็นว่าเผลอไปคิดได้สักสิครั้งอะไรก็เก่งแล้วล่ะนะแต่ต่อไปจะเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะว่าไหวแว บ, บแว บ, บแว บ, บตลอดเวลามีแต่ไหววบวบแว บ, บ, บ, บตลอดนะเป็นปกตินะแต่พอจิตมันไหววว บ, บแวบๆว แ, แล้วอย่าตกใจแล้วก็ไม่ต้องพยายามรู้ให้ชัดนะถ้าพยายามรู้ทุกอันให้ชัดจิตจะฟุ้งซ่านแล้วก็เหนื่อยนะแล้วเครียดด้วยนะให้ดูภาพรวมว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ ดูภาพรวมเลยว่าจิตตอนนี้กําลังฟุ้งซ่านอยู่มันจะไม่ไปไล่ทีละปรากฏการเล็กๆนะมันจะมองภาพรวมพอรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านปุ๊จะสงบเองเลย ใ, ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมให้รู้ลงอย่างเนี้ยนะรู้ลงไปแล้วมาส ก, การหลวงพ่อค่ะคือประมาณหกเดือนที่แล้วอะค่ะอหลวงพ่อเคยทักที่สีราชาบอกว่าคิดมาก คิดมากจะยากนานนะคะก็พยายามดูจิตไปจากตรงนั้นนะคะแล้วก็อก็คิดว่าเวลาเวลาจิตคิดก็เผล อ, อก็รู้ว่าเผลอเนี่ยะคะ่ะแต่อยากแต่อยากจะถามหลวงพ่อว่าะจะทํำยังไงให้เห็นความว่าเวลาเรารู้แล้วเรารู้อย่างเป็นกลางอะค่ะก<อ>็ราว่าจะปรุงให้ให้รู้สภาวะนะว่าใจเราเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางต้องต้องรู้มันไม่ใช่ไปทําให้เป็นกลางนะ งั้นอย่างจิตเราไปเห็นสภาวะธรรมแล้วมันยินดีขึ้นมารู้ทันมันยินร้ายขึ้นมารู้ทันแล้วพอเร า, ารู้ทันความยินดียินร้ายมันดับไปมันก็เป็นกลางของมันเองเป็นกลางคือมันไม่ยินดียินร้ายเด็กผู้หญิงที่ถามตะกี้ที่นั่งติดกันใช้ได้นะพอเลิกถามหลวงพ่อแล้วใช้ได้ดูไปอย่างนี้เลยก็คือให้ดูไปไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆนะดูเรื่อยๆรู้บ่อยๆ สังเกตใจเราพอตาเรามองเห็นใจเราก็หวั่นไหวขึ้นมาก็รู้ทันหูเราได้ยินเช่นเพื่อนเราชมเราเราดีใจเราก็รู้ทันคนก็ว่าเราเราเสียใจเราก็รู้ทันคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงใจภายหลังการกระทบอารมณ์รู้บ่อยๆต่อไปมันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวถ้าทุกอย่างชั่วคราวแล้วมันจะเป็นกลางเองนะแล้วที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ก็ดีกว่าเต่านะดีกว่าคิดมากยากนานตอนนี้คิดมากยากน้อยไอ้คิดน้อยยากน้อยนะ คิดให้น้อยๆนะรู้ให้เยอะๆอะพอหรือยังเหนื่อยแล้วไหนๆอยู่ไหนกลับนมัส ก, การพอครับ เ, เมื่อขณะที่เริ่มเริ่มจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันขยับจะไปรู้อะไรเนี่ยฮะความคิดตอนนั้นมันจะ หายไปเฉยๆเลยทีนี้เรามีความรู้สึกว่ามันมีไอ้ตัวหนึ่งที่เมื่อกี้หลวงพ่อได้เรียนได้ได้ถามได้ได้ตอบเนี่ยนะครับว่ามันนิ่งๆเฉย ๆ, ๆอยู่นะครับแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ทิ้งมันไปตัวนี้ไม่หลวงพ่อบอกนะสําหรับคุณคนนี้นะครับเอแต่พอดีอคล้ายๆกับกรณีของของคุณยังมไม่ต้องทริงครับของไม่ต้องอเอาไว้ก่อนแล้วตอนนี้ที่ทําอยู่เป็นยังไงะครับ แต่ค่อนข้างตื่นเต้ น, นเออตื่นเต้นที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้ใช้ได้ดูเรื่อยๆครับตอนนี้ตื่นเต้นมันเกินจริงครับใจ<ต>ไปคิดแล้วรู้ไหมครับให้ดูถ่านลงปัจจุบันไปได้ขอบคุณครับจะบังคับตัวเองนะตรงเนี้บังคับตัวเอง